พระอน์พุทธอนุชาได้ติดตามพระาศาสดาอยู่เป็นเวลานานกระทำกิจทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลาบากใดๆท่านมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในพระาศาสดาประดุษมานดาผู้ประเสรศิฐพึงมีต่อบุตรสุดสวาสมีความเคารพย่งเกรงในพระผู้มีพระภาคประดุษบุตรผู้เลื่อมใสตอบิดา และอยู่ในโอวาทของชนกผู้ให้กำเนิดตนท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงเชกดวงตะวันและจันทราจะหาผู้ปฏิบัติใดเล่าเสมอเหมือนพระอนุชาผู้นี้จวบจนพระพรรสายุการแห่งพระบรมศาสดาเข้าปีที่79ตอนปลายเหลืออีกเล็กน้อย ที่พระผู้ประธานแสงสว่างแก่โลกจะปรินิพานเปรียปานดวงสุริยาซึ่งทอแสงนอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนจะอำลาทิวาการพระผู้พิชิตมารประทับณคิชกูฏบัรพ์ใกล้กรุงราชคลึกรวนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูเวทหิบุตรกำลังเตรียมตัวจะรุกรานแควนวัตถี จึงส่งวัสกาลพราหมณ์มหาอัมมาตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อจะอย่างดูว่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างไรพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเชื่อมั่นอยู่ว่าพระวาจาแห่งพระตถาคตนั้นไม่เป็นสองวสกาลพราหมณ์รับพระบัญชาเหนือกล้าแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าเวลานี้พระเจ้าอาชาศัตรูกําลังเตรียมทัพจะบุกวัดฉี ซึ่งมีนครเวสลีเป็นเมืองหลวงได้ทรงข้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลถามถึงภาสุวิหารคือความทรงสําราญแห่งพระองค์และขอถวายบังคมพระมงคลบาด้วยเสียเกล้าวสมัยนั้นพระอ น, นุ์พุทธานุชายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์ไม่ตรัสกับวสการพรามณ์แต่กลับตรัสถามพระอ น, นุ์ ถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่าอานุนชาววัตชียังคงประพฤติวัตชีธรรมอปริหานิยธรรมคือทรรมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอยู่หรือยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าข่าพระอานุนทูลตอบดูก่อนอานุนชาววัตชีประพฤติมั่นในธรรมเจ็ประการคือหนึ่ง มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกโดยพร้อมเพียงกันและพร้อมเพียงกันทํากิจของชาววัชชีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3. ชาววัตชีย่อมเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัตชีที่ดีอยู่แล้วไม่เพิกถอนเสียและไม่บัญญัติสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาแทน 4. ชาววัตชีเคารพสการะนับถือยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ผ่านโลกมานานไม่ลบหลู่ดูหมินหรือเหยียดหยาม 5. ชาววัตชีประพฤติ ธ, ธรรมในสุภาพสตรีคือไม่คมเหงน้ำใจสุภาพสตรี 6. ชาววัตชีรู้จักเคารพสการะบูชาปูชนียสถาน 7. ชาววัชชี ให้ความอารักขาคุ้มครองพระอระหันต์สมณะพรามนาจารย์ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมปราถนาให้สมณะพรามณาจารย์ผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่แคว้นขอให้มาและที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขดูก่อนอานน์ตราบเท่าที่ชาววัชชียังประพฤติธปฏิบัติวัชชีธรรมทั้งเจประการ น, นี้อยู่พวกเขาจะไม่ประสบความเสื่อมเลย มีแต่ความจเจริญมั่นคงโดยส่วนเดียว แล้วพระพุทธองค์ทรงผินพพักมาตรัสกับวสการพรามพรามครั้งหนึ่งเราพักอยู่ที่สารันทะเจดีใกล้กรุงเวสาลีได้แสดงธรรมทั้งเจ็ดประการแก่ชาววัตชีตราบใดที่ชาววัตชียังประพฤติตามธรรมนี้อยู่พวกเขาจะหาความเสื่อมมิได้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่พระผู้มีพระภาค วสการพรามทูลไม่ต้องพูดถึงว่าชาววัชชีจะบริบูรณ์ด้วยทำทั้งเจ็ดประการเลยแม้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นเขาก็จะหาความเสื่อมไม่ได้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อวสการพรามทูลลาแล้วพระาศาสดารับสั่งให้พระอนนต์ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ณนะกะะรุงราชคลืมาประชุมพร้อมกัน แล้วพระมหาสมณะทรงแสดงอปริหานิยธรรมโดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังมันประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในศิกขาบทบัญญัตยิยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหา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 ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่ครบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรุคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับณนภะูเขาคิชกูดก ร, รุงะะราชคฤือ พอสมควรแล้วโดยมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็เสด็จบ่ายพระพักสู่นครเวสาลีผ่านเมืองอัมพรัติกามเมืองนาลันธาและปาตลีคามซึ่งพระเจ้าอาชาสตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองสำหรับใช้เป็นที่มั่นโจมตีแคว้นวัชี ณเมืองนาลันทานี่เองพระสาลีบุตรเคยกล่าวอาศพิวาจาคือถ้อยคําที่แสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระาศาสดาว่าท่านมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธองค์ทั้งในอดีต อนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพรามใดๆเลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องสัมโพธิยานเมื่อเสด็จถึงปาตลีคามอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติห้าประการคือ 1. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโพคะ 2. ชื่อเสียง ทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 3. ไม่แกล้วกล้าอาหารเมื่อเข้าประชุม 4. เมื่อจวนจะตายย่อมขาดสติสัพัญญะคุ้มครองสติไม่ได้เรียกว่าหลงตาย 5. เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกคติส่วนคุณแห่งศีลสมบัติมีในตรงกันข้ามศีลวิบัติดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์เสด็จผ่าน โกติคามและนาธิคามตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้หมาเฝ้าบ้างแก่ภิกษุสงฆ์แก่พระอานต์บ้างเช่นอริยสัจและเรื่องให้เอาธรรมะเป็นกระจกเงาดูตนเองจนกระทั่งเสด็จเข้าสู่เขตเวสาลีประทับณอัมพปาลีวันของหญิงนครโสเพณีนามอัมพปาลี ไม่เสด็จเข้าสู่นครเวสาลีแม้กษัตริย์จิษีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธ ข่าวเรื่มพระเจ้าอาชาตศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัตชีนั้นทำให้พระพุทธองค์ผู้มีพระมหากรุณาดุดห่วงมหานพทรงห่วงใ ย, ยวัตชียิ่งนักเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่เสด็จบนเรียนอยู่ในแคว้นวัตชีในที่สุดเสด็จประทับณเวลุวคามซึ่งมั่งคั่งพั่ง พ, งพร้อมด้วยต้นมะตูมเรียงรายเมื่อจวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุญาต ให้พิสษจทั้งหลายเลือกที่จําพรรษาได้ตามชอบใจส่วนพระองค์จะประทับจาพรรษาในเวรุวะคามการที่ไม่เสด็จเข้าไปภายในเมืองเวสาลีนั้นน่าจะเป็นเพราะไม่ทรงปรารถนาเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็นที่ระแวงของพระเจ้าอชาติสตรูว่าพระองค์เอาพะทไทเข้าข้างเวสาลี แต่การที่พระองค์ทรงวนเวียนอยู่ในเขตวัตชีเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ได้ผลสมพระประสงค์คือพระเจ้าอาชาตศัตรูมิได้ย่าตราทับเข้าสู่แคว้นวัตชีเลยพระบรมศาสดาของเรานั้นวิได้ทรงเกื้อกูลหมู่ชนเพียงแต่ในทางธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วยสมแล้วที่พระองค์ได้พระนามว่า พระโลกนาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกแม้ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพานแล้วแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรนี้มีมนุษย์จํานวน น, นับไม่ได้ที่ได้ละลึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วได้วางมือจากการประกอบคำชั่วแล้วตั้งหน้าทำความดีพระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งของโลกอยู่ ในภรรษานั่นเองซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนทีพพระตถาคตเจ้าทรงพระประชวนหนักด้วยโรคปักขันธิกาพาศซึ่งมีพระบังคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะปรินิพานจึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาพาศนั้นด้วยอธิวาสนขันติ คืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บทีตีขันติอดทนต่อหนาร้อนการตรากตรำในการทํางานตีติขาขันติอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งจิตใจอดทนต่อคําด่าว่าเสียสยีเรื่องที่พระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหายอาภาษนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า เมื่อหายแล้ววันหนึ่งประทับนั่งณนะร่มเงาแห่งวิหารในเวลาเย็นพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอดกลั้นอันใดที่พระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นอยู่เสมอพระองค์ได้ทรงกระทำความอดทนนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว สมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทรงกระทำอย่างนั้นทรงกระทาอย่างใดตรัสอย่างนั้นยถาวาทีตถาการียถาการีตถาวาทีก็แต่ว่าพระองค์พูดเจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประชวนหนักนั้นข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่ง กายของข้าพระองค์งอมระ ง, งมไปหมดพระหนึ่งความรู้สึกของหมูปักษีซึ่งอาศัยอยู่บนพฤกษาและต้นไม้นั้นไกวแกว่งเพราะแรงลมทิดทั้งหมดปรากฏเหมือนมืดมนสาหรับข้าพระองค์มองดูพระองค์แล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์สอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่า พระองค์ยังไม่ได้ให้ประชุมสงฆ์ปรารภข้อที่ควรปรารภในถ้ำกลางมหาสมาคมตราบใดตราบนั้นพระองค์คงจักยังไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้อาณนนุนเอ๋ย พระศาสดาตรัสอย่างช้าๆเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าธทราใดที่ควรแสดงเราก็ได้แสดงหมดแล้วไม่มีกำมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเราไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นหวงแหนทาใดๆไว้เราได้ชี้แจงแสดงเปิดเผยหมดสิ้นแล้วธรรมวินัยซึ่งเป็นมรดกอันประเสริฐของบิดา ตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วอานุเอยจงดูเอาเถิดดูสรีระแห่งตถาคตบัดนี้มีฉลาลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวย่อนยานมีอาการสุดโสมให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนกุญยนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีก ได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าใดการแตกแยกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอ น, นุนเอยพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวคขามเป็นเวลานานถึง8เดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็มิได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับยับยั้งอยู่ณที่นั้นจนสิ้นฤดูเหมันนับเป็นเวลานานมากที่ประทับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ เ, เช่นเวรุวคขามนี้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีพไปได้ไม่นานนัก แต่ไม่ได้ตรัสบอกพระอา น, นุ์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะปรินิพานระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงดำเนินไปอีกหลายแห่งสเสด็จโดยพระบาทเปล่าไม่มีใครแบกใครหามเลยเมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยมากเข้าก็ทรงหยุดพักทุกขนทุกแห่งที่สเสด็จไป จะมีพระอนุนตามเสด็จเหมือนพระฉายาแม้จะลำบากพระวรากายปานใดแต่น้ำพระไทยกรุณาที่มีต่อสัพพสัตว์เออทนในพระมนต์จึงทรงจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนจากเวรุวคามเสด็จไปยังกูทาคารสาลาในป่ามหาวันซึ่งกษัตริย์ฤชวีแห่งเวสาลีสร้างถวายเป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จมาเป็นครั้งคราวรับสั่งให้พระอานนุ์ประกาประชุมสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดสงโอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยอภิญญาเทสิตธรรมคือธรรมที่พระองค์แสดงไว้เพื่อการตรัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แก่สติปฐาน 4, สัมมมปทานสอิทิบาส4อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจมักมีองค์8 ให้ภิกษุทั้งหลายมันอบรมประพฤติ ธ, ธรรมดังกล่าวนี้ สเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองเวสาลีชาวนครเวสาลีมีความรู้สึกระทึกใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้เห็นได้เฝ้ารับโอวาทาุาตร์จากพระพุทธองค์บางพวกร่ำไห้บางพวกตีอกชกตัวพระหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนจะเดินทางไปสู่สมรภูมิ และรู้แน่นอนว่าจะไม่กลับมาพระจอมุนีประธานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศกโดยสรงย้ำให้ระลึกถึงพระโอวาทที่เคยประทานไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเศร้าโศกคร่าครวญย่อมไม่อาจนูงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับมิให้แตกดับได้ แลแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากนครเวสาลีทรงยืนอยู่ณประตูเมืองครู่หนึ่งผินพระพักมองดูเวสาลีเป็นนาคาวโร ก, กนาการปานประหนึ่งพยาคชสารตัวประเสริฐเหลียวมองดูแมกไม้เป็นปัจฉิมทัศนาเมื่อถูกนำพาไปสู่นครเพื่อเป็นราชพานะพระตถาคตเจ้า อทอททศนาการเวสาลีพรางทรงรำพึงว่าดูกนเวสาลีนครซึ่งมั่งคัง่งสมบูรณ์เป็นนครที่มีนามกระเดืองเรื่องลือว่ามีคนแต่งกายงามที่สุดปานหมู่เทพชั้นดาวดึงมีสะโบคุรีมากหลายเป็นที่รื่นรมพราสาทแห่งเจ้าลิชวีเสียดยอดระดะับดูงามตาพิลาดพิไลโดยเฉพาะ ลิชวีสภาซึ่งจงใจทำอย่างพระนีบรรจงงามวิจิตเป็นที่ประชุมแห่งกษัตริย์ลิชวีผู้พร้อมใจกันปกครองบ้านเมืองโดยสามขีธรรมดูก่อนเวสาลีนครซึ่งมีปราการสามชั้นมีเบื้องหลังเป็นป่าใหญ่ทอดยาวเหยียดสูงขึ้นไปจนถึงหิมาลัยบรรพตอันได้นามว่ามหาวัน ซึ่งตถาคตแวะเบียนมาพักอยู่เสมอการได้เห็นเวสาลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาการสำหรับตถาคตแล้วตถาคตจะไม่ได้เห็นเวสาลีอีกทรงรำพึงดังนี้แล้วจึงหันพระพักตร์มาตรัสกับพระอานุนว่าอา น, นุนการมองดูเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตแล้ว อา น, นุนเออยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้วย่อมจะมีการสิ้นสุดใครเล่าจะสามารถนวงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องเป็นไม่ให้เป็นได้มาเถิดอา น, นุนเราจากเดินทางไปสู่ปาวางเจดีพระตถาคตเจ้าตรัสเท่านี้แล้วเสด็จดำเนินด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐพระพุทธอนุชา ตามเสด็จพระาศาสดาด้วยอาการสงบและเคร่งขรึมใครเล่าจะทราบว่าภายในดวงจิตของท่านจะปั่นป่วนรุนเรซึมเศร้าเศรา้าโศกอ่อนไหววิววันสักเพียงใด